ท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปรุณก็คงจะทราบกันแล้วละค่ะว่าเรามีเสนอให้ท่านรับฟังกันเป็นประจำนะคะ แต่สำหรับในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยท่านก็คงจะทราบกันแล้วละคะ่ะว่าดิจันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะสอบถามซักถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหรือว่ามาสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูล์อภิพุนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์อภพุ่มโดยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้น ตามพุทธวจนะหรือตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นช้า ว, วันเสาร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน8 ปีมโรงค่ะซึ่งในเช้าวันเสาร์ขึ้นสามข้ามเดือนแปดปีมะโรงนี้ก็เรามีบุญอย่างยิ่งนะคะที่โชคดีเหลือเกินได้มีโอกาสที่จะนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระคุณสิทธิประภกร ท่านจเจ้าอาวาส ว, วัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตามาร่วมรายการด้วยก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสาอาดตี์โทภาโซและท่านพระอาจาร ย, ย์ไพย่บุตอภิพุโหนโรพร้อมกันเลยนะคะ ก, กราบน้ำพการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะและพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้า ว, วันนี้เราโชคดีที่ได้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซมาด้วยนะเจ้าค่ะซึ่งคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศนั้นคงจะทราบกันดี ว่าหลวงพ่อดรสะอาดนั้นเนี่ยท่านาปฏิบัติเรียกว่ามีการปฏิบัติแล้วก็มีการาฝึกจิตต่างๆอย่างดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมาธินั้นท่านก็เป็นลูกจิตเอกของหลวงปู่เทศทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมวัดป่าดอนหายโศกของเราถึงได้เป็นที่โด่งดังไปในวงการนักปฏิบัติซึ่งหลายวัดนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติ ธรรมะหรือว่าเรียกไปปฏิบัติธรรมกันเยอะแต่ทําไมคนถึงได้ติดอกติดใจแล้วก็ศรัทธาเชื่อมั่นในการปฏิบัติหลักสูตรของทางวัดป่าทรไหสุซึ่งมีพระอาจารย์ไพบุญอ ภ, ภิปุโนท่านเป็นอาจารย์ผู้อานวยการโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทศสศาทิโทภโสนั้นท่านก็คุบคุมอยู่แล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่จะได้ร่วมในการสอนแล้วก็ฝึกจิตกันด้วยนะคะดังนั้นเช้าวันนี้ก็อยากจะขออนุญาตที่จะ กราบนำสการเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโซเจ้าค่ะแล้วก็นําท่านผู้ฟังมาคุยกันถึงเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะว่ารูปแบบของการปฏิบัติอย่างที่เราไปปฏิบัติที่วัดไปเข้าหลักสูตรอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเขากราบนิมนต์เจ้าค่ะทีรียพ่รูปแบบของขามปฏิบัติมันมีมากพระบุตรขี้ยาทรงมันเด็ดไปทั้งสี่สิบิธี เราจะเอาไหนมาปฏิบัติก็ได้แต่ว่าการกระทำแียละแห่งก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่วัดเราปฏิบัติอยู่นี่ก็กำหนดเอาหลักสูตรคืออนาปานาสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกมาเป็นเครื่องปฏิบัติหรือว่าให้เป็นแนวทางของการปฏิบัติเรื่งความ เจ้าค่ ะ, ะสำหรับเรื่องของอานาปานาสติเนี่ยนะเจ้าคะก็คิดว่าท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมาราปอรุณตอนเช้าๆนี้ก็คงจะเคยได้ฟังพระเดชพระคุณ อ, อาจารย์ไพบูลอภิปุโนพระอาจารย์ของเราเนี่ยได้เคยพูดมาบ้างละแต่ในวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาพบได้กราบน้ำสการเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรศาสตา์ทิโทภโสนี่ยมก็อยากจะขอ กราบขอความเมตตาพร ะ, า อ, ะ, อ, อ, ระอาจารย์ดรสอาดทิตโภโสเจ้าค่ะว่าที่ว่าอาณาปานาสติที่หลวงพ่อสอนอยู่เนี่ยเจ้าค่ะถ้าจะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านเราง่ายๆเนี่ย น, นะเจ้าค่ะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆคนอยากจะลองเริ่มฝึกทําบ้างหรือทําสมาธิแบบอาณาปานาสตินี่เริ่มต้นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะให้ค่อยกําหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่จมูกของเรา ลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้่าลมหายใจออกคอยรูที่เดียวในจมูกของเรามันกระทบจมูกของเราที่ไหนให้ตั้งสติไว้ที่นั่นเช่นกลางจมูกเนี่ยเราจะคอยดูอยู่ที่ น, น, นั่นเวลาลมหายใจออกมันก็มากระเทือนตรงนั้นแ่ะก่อนเออเวลารู้มหายใจเข้ามันก็เทือนตรงนั้นก่อนทีนี้เมื่อรู้ม ทบอยู่ตรงนั้นเราก็ตั้งสติคอยเฝ้ารูไม่ให้จิตส่งไปตามเรื่องต่างๆซึ่งเดียวกว่านิวรันคือความขาดขวางการบรรลุมากคผลหรือว่าบรรลุสมาธิเพราะฉะนั้นจึงให้คอยกำหนดอยู่ที่เดียวคอยกำหนดดูลมว่าลมเข้าลมออกเป็นยังไงเรากำหนดรู้ได้ไหมพอเรากำหนดครั้งแรกมันจะไม่ค่าได้หรอกเพราะมันคิดนั่นคิดนี่ เดี๋เราจะมาให้คิดมันไม่ได้มันต้องคิดคิดนั้นบ้างอันนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับมันให้ใส่ใจลมหายใจเข้าหายใจออกคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าใจออกกระทบนั่นแหละคอยรู้อยู่ตรงนั้นจิตของเราที่ฟุ้งซ่านนานเข้ามันก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วใจก็เป็นสุกอันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวฟัง เจ้าค่ะฟังพระฤาษีพระคุณหลวงพ่อดรสอาดที่ทภปโสร์ชี้แจงมานี่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะพอเห็นทางแล้วนะคะว่ า, าจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรบ้างในเรื่องของอนาปานาสตินะคะทีนี้ก็อยากจะข อ, อ นักมรสการเรียนถามพระอาจารย์ไปบุญอภิพุนุว่าเจ้าค่ะว่า<อ>สําหรับเรื่องของการปฏิบัติอย่างที่อาณาปานาสติที่ทางวัดป่าดอนหายโศกเองก็ตามหรืออาจจะมีวัดอื่นๆอีกนะเจ้าค่ะที่เขาปฏิบัติกันนั้นเนี่ย<ม>รูปแบบที่หลวงพอ่อทศสาอาดที่ทูปโสท่านได้ชี้แจงมานี้ก็เป็นการปฏิบัติที่เริ่มต้นจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วพอหลังจากที่มีจิตสมาธิแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเจ้าค่ะจิตเมื่อเราเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ย ยมคิดว่าคงมีหลายคนอยากจะรู้ว่าที่ว่าจิตเป็นสมาธินิ่งอยู่แล้วเนี่ยต่อไปลําดับต่อไปเราจ ะ, ะประสบพบกับอะไรหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าค่ะในมนูลเจ้าค่ะก่อนก่อนที่เราจะไปถึงว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดมาเมื่อตอนแรกนะเจ้าค่ะจริงๆแล้วถ้าเรื่องฟังทําไปด้วยเลยก็ได้เจ้าค่ะคือขณะที่เราฟังอยู่นี้เราก็รู้ลมหายใจไปด้วยเลยหายใจเข้าหายใจออกซึ่งจริงๆ ที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธวจนะด้วยอย่างเช่นว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงเนี้ ย, ยมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกแต่พวกนี้เป็นพุทธวจนะหมดเล ย, ยทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดที่ว่าเอจิตเป็นสมาธิแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเนี่ยอขอย้อนไปนิดนึงก่อนว่าคือบางคนเนี่ยอพอมารู้ลมหายใจแล้วเนี่ยจิตยังไม่เป็นสมาธิหรอกอย่างที่หลวงพ่อ ว, ว่าทำแรกๆมันจะยากนิดนึง เนี่เราต้องมาคอยฝอบสังเกตดูแนี่เราก็อยู่ที่เหตุปัจจัยด้วยหมายความว่าเหตุที่คุณมาสร้างในการที่คุณจะมารู้ลมหายใจเนี่ยเราทําถูกไหมเหมือนที่คุณต้นใจพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าแต่ละที่แต่ละแห่งในประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็มีการสอนอยู่เยอะแยะไปหมดทีนี้รูปแบบของการสอนเนี่ยที่วัดป่าดอยสุขเราก็เลือกอย่างที่พระเจ้าแนะนําก็คือเรื่องของอานาปานสติเนี่ยนะแล้วทีนี้ความต่างๆมันก็อยู่ที่ว่า เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเนี่ยผู้เช า, าพูดถึงเหตุปัจจัยอยู่ประมาณ5้าอย่างที่จะทําให้คนที่มารู้ลมหายใจเนี่ยจะทําจิตให้สงบได้ ค, คือคนมารู้ลมหายใจแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตจะสงบเลยแต่มันจะคิดบ้าคิดบอคิดนู่นคิดนี่แน่นอนแล้วเราจะทํายังไงให้จิตสงบอยู่ที่เหตุเราสร้างด้วยลมหายใจนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนอื่นๆก็มีคือหนึ่งคุณอยู่ในเสนาสะนะอันสงัดไหมอยู่ที่เงียบๆอยู่ง่ายๆ นะไม่รู้รา้าฟุ่มเฟือยเกินไปนะเป็นที่ที่สงบนะไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีกิจกรรมมากเป็นที่ที่ไม่มีพุทธเจ้าใช้คานี้ว่าไม่มีลมที่เกิดจากผิวกายคนเลยหมายว่าคนเข้าออกเนี่ยไม่มากนะคนเข้าออกมากมันก็จะมีลมจากผิวกายน ะ, ะมากระทบเราเราก็จะคิดไปนน่นนี่แหล ะ, ะอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือรับประทานอาหารพอประมาณไหม บริชเจ้าพูดถึงการที่ประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันร้องอยู่เสมอแต่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแปะจนพุงแอนเนี่ยนะจะมานั่งสมาธิลมหายใจเนี่ยเฮ้ยหายใจเองก็ยังยากเหมือนกันเจค่ะราก็จะหลับด้วยใช่หลับมีกลนข้อขอหรอ <c oughs> ลับตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยนี้ด้วยนะอันที่สามคือคุณฟังพุทธวจนะไหมแต่ถ้าเราฟังสิ่งที่เป็นธรรมะ คือทำเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่ากลางที่สุดนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิเชพพงพร้อมทั้งอักถังพร้อมทั้งพยัญชนะในตรงนี้หมายถึงพุทธพจน์ชนะแน่นอนแตนะ่เราฟังนี้ไปเรื่อยๆนะสามารถทรงจําเอาไว้ได้นะคล่องแคล่วขึ้นใจว่าด้วยบาจาไดนะ้แทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นตรงนี้ยจะทําให้เราพอรู้ลมหายใจแล้วเนื้อรู้ลมหายใจแล้วจะทำจิตให้สงบไดนะ้คือบางคนเดี๋ยวว่าแต่รู้ลมหายใจเลย อย่าว่าจะจิตให้สงบเลยรวู้ลมไม่ใจบางทีอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยซ้ำ เ, นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกนะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ออยู่ป่าอยู่ในเสนาะอันสงนัดอันนี้ช่วยได้ อ, องค์ประกอบเหล่าเนี้ยเราก็จัดให้มีเกิดขึ้นนะคุณจะอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้คุณทําได้คุณก็จะสังเกตลมหายใจไดนะ้สังเกตลมหายใจได้เสร็จแล้วคุณจะทําจิตให้สงบได้เหตุเป็นผลเป็นอย่างนี้นะระดับแรก หเหตุปัจจัยสี่ห้ายอย่างนี้คุณมีไหมถ้ามีคุณจะสังเกตลมหายใจได้ะคือบางคนสังเกตลมหายใจไม่ได้ด้วยซ้ำคุณไม่ต้องพูดถึงเลยจิตจะสงบแต่ถ้าเราสังเกตลมหายใจไดต้ต่อไปผลที่จะเกิดขึ้นของการสังเกตลมหายใจได้คือจิตคุณจะสงบได้อทีนี้พอจิตเราสงบแล้วเรามาเริ่มพูดกันว่าอาจิตสงบแล้วทำยังไงต่อ อ, อันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อสามารถบอกให้ฟังได้ว่าจิตสงบแล้วเป็นยังไงเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้พิจารณา พิจารถึงความจริงสมอย่างคือความจริงเรียว่าอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงบอกกล่าวสั่งสอนไม่ได้นี่แหละเรียกว่าอนัตตาสามอย่างนี้เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราพอเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราเราก็จะเห็นชาติเพราะกาลังของสมาธิมี ถ้ามีกําลังสมาธิมีกําลังแล้วเราตรวจดูร่างกายของเราด้ยเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างประกอบด้วยธาตุสีดินน้ําลมไฟอมืมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้แหละหลายอยากอยู่อืเจ้าค่ะสําหรับที่เรียกว่าดินในร่างกายเรานี่มีส่วนไหนบ้างเจ้าค่ะผ<อ>มผลเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกลือในกระดูกมากกระปบอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารไม้อา ้าตลอดทมสสมองศีษะอันนี้เรียก ว, ว่าดินอืมเจ้าะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อตายแล้วก็ลงไปเป็นดินเจ้าค่ะคือตอนเราพิจารณานี่ก็คืออตอนที่เราทําสมาธิก็คือเรานั่งหลับตาใช่ไหมเจ้าค่ะเรามีาสมาธิแล้วเนี่ยเราก็มองไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราอย่างที่อย่างที่หลวงพ่อว่าใช่ไหมเจ้าค่ะทำความรู้สึกว่าเราเห็นตัวของเราเรายืนดูตัวของเราว่าส่วนนี้ส่วนผมคนเล็บฟั น, นเนื้อเอ็นกระโหลกเหล่านี้ เจ้าค่ะอันนี้เรคือดินพระพุทธ เ, เจ้าบัญญัติทับลงมาในกายอันนี้ว่าอันนี้เป็นธาตุดินเจ้าค่ะธาตุดินนี้ก็โลงสู่ขึ้นดินในที่สุดก็เป็นดินอืเจ้าค่ะเห็นว่ามันไม่เที่ยงน่ะธาตุน้ําก็เหมือนกันน้ําดีน้ําเสด็จน้ํำเลือดน้ําเหลืองน้ํามู่น้ำนํำลายน้ํำมูดอันนี้ก็เป็นน้ํานี่เป็น ก, กรรมกันที่สองเจ้าค่ะ ไฟคือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้ร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยอันนี้ก็เป็นไฟในตัวของเราคนเราถ้ายังไม่ตายจะมีความอุ่นอยู่ตลอดเวลาถ้าตายแล้ยินเชี่ยบเลยเจ้าค่ะอืมนั่นนะแล้วก็น้ำํำดินน้ําลมไฟสําหรับลมเจ้าค่ะลมคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดไปตามตัวลมในท้องลมในไส้อืา อันนี้เรียกว่าลมให้กำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทั้งสีน่นี่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเป็นของไม่เที่ยงก็ทนอยู่ไม่ได้เมื่อทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เมือนเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาไล่กันไปตามลำดับเห็นชัดลงไปในตัวเราเอาตัวเราที่เป็นอนิจจงทุกครั้งอนัตตาจริงๆนันี่มันเป็นอนิจจ์ทุกครั้งอนัตตาเราก็ ลดละความยึดความถือความสาคัญมั่นหมายว่าตัวตนไดหมดสิ้นไม่มีความรักในไม่มีความรักไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉาทิยาเกิดขึ้นในใจของเราที่ความรักไคก็ตามความโกรธก็ตามความโลภก็ตามจะไม่มีในตัวของเราในใจของเราถ้าเราเห็นสัดตามความเป็นจริงในเรื่องเหล่านี้แล้ว เราจะวางความยึดความถือความสําคัญมั่นหมายในตัวตนได้ตลอดไปอืเจ้าค่ะ อ, อันนั้นก็คื อ, อพอปฏิบัติแล้วจิตสูงขึ้นนี้ก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระอรหันนะเจ้าค่ะซึ่งซึ่งนั่นคือสุดท้ายเรารู้ว่าทุกอย่างนี้ก็คือศูนย์ไปหมดดับไปหมดนะเจ้าค่ะอย่างนั้นถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องอยู่เช่นกันคือว่าดับสูญหมายว่าร่างกายนี้ก็ดับไปอืในความรู้สึกมองลม มันก็ไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดถือได้ในตัวตนอันนี้เจ้าค่ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยเจ้าค่ะถ้าถ้าเผื่อพูดอย่างชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะถ้าจะให้โยมพิจารณาว่าร่างกายนี้ที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยถ้าโยมเป็นอรวาสทั่วไปคิดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าเหมือนกับว่าถ้ามันเป็นของเที่ยงเนี่ย มันจะต้องอยู่ยืนยงคงกพันไปกับเราอย่างเนี้ยเราอยากให้เป็นยังไงไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่มองว่าไม่เที่ยงเพราะว่ามันอาจจะสูนสลายดับไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่อยู่ในการบังคับของเราใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องแล้วเจิญพรเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่างอย่างท่าดินเนี่ยนะเจ้าค่ะคุณตัวใจที่หลวงพ่อพูดถึงว่าผมคนเล่นฟันหนังเนี่ยเจ้าค่ะผู้เช่าวรวมพวกนี้เรียกว่าท่าดินเราก็ให้คําความหมายเพิ่มเติมตรงนี้ว่า หมายถึงของที่มีลักษณะเข้มแข็งอื่นๆในร่างกายของอื่นๆในร่างกายที่มีลักษณะเข้มแข็งก็รวมที่ว่าธาตุดินทั้งหมดะของอื่นๆในร่างกายที่มีลักษณะว่าไหลไปไหลมาได้นั่นเรียกว่าธาตุน้ํางคือบางทีเทียบพวกน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําลายน้ำอะไรพวกนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยแบางคนไปค้ น, นพบน้ำํำชนิดใหม่ในร่างกายมีลักษณะไหลไปไหลมาได้ ดังนร้มเรียกว่าธาตุน้ําอืมช่ำส่วนธาตุลมนี่ก็คือของที่พัดไปพัดมาอยู่ในร่างกายะจะเป็นพวกออกซิเจนพวกอย่างที่หลวงพ่อพูดมานะลมหายใจพวกนี้ก็แบ่งแยกอย่างนี้เเรื่องของธาตุดินที่มันไม่เที่ยงอย่างอย่างเล็บของเราเนี่ยตอนต้องตัดเล็บอยู่อทุกเดือนบ้างทุกสัปดาห์บ้างบางคนเนี่ยตัดเล็บอยู่เรื่อยแล้วคุณไปทิ้งที่ไหน เราก็ไปทิ้งลงกวาดทิ้งไปหรทิ้งลงน้ําหรือทิ้งบนแผ่นดินมันก็กลับคืนไปอย่างเงี้ยอแล้วดินแล้วถามว่าดินนี่ไปไหนก็ไปอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นไม้ก็โตมาออกมาเป็นใบใบเราไปทําอาหารเราก็กินกินออกมาออกมากงอกเป็นเล็บเราก็ตัดทิ้งมันก็เลยไม่เทียนมันไปวนมา้ากระบวนการทางสิ่งแวดล้อมนี่รีไซเคิลนะร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้น เรียกว่าเป็นเหมือนวัตจักของชีวิตนะเจ้าคะก็เรียกว่าเหมือนอวงจรชีวภาพของมนุษย์เราในโลกเนะี่ใช่ไหมเจ้าคะ น, นี้คนส่วนใหญ่เนี่ย อ, อรู้อยู่รู้กัว บ, บว่ารู้ตามตำรานะทีนี้พอถ้ารู้ตามตำราแล้วเนี่ยก็คือเรียกว่าจําได้เฉยเขาพูดเกิดมาให้ฟังนักวกสารเล่าให้ฟังเจ้า<ต>คะแต่ที่หลวงพ่อพูดตรงนี้พุทธเจ้าสอนตรงนี้นนก็คือว่า ให้น้อมก็มาสู่ตัวเราว่าอ๋อตัวเราเองก็เป็นธรรมชาติอย่างเดียวกับสิ่งภายนอก <Okay. S 1> จะมาหลงว่ายึดถือนี่เป็นตัวชั้นของชั้นนี้ไม่ถูกแต่นเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกแทนถ้าเรามาพิจารณาเห็นความว่าร่างกายของเราเป็นแค่ธาตุ ด, ดินอย่างเงี้ย น, นะใครจะทิ้งอะไรลงมาในดินเนี่ยหรือจะทิ้งอะไรลงไปในน้ําในของสะอาดไม่สอาดเนี่ยน้ํานี่ก็ไม่ได้รู้สึกอิดหนาระอารังเกียดดินก็ไม่รู้สึกอิดหนาระอารังเกียดเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ปุ๊บ นะความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นในกายเนี่ยก็จะลดลงแ <Okay. S 1> ล้วลงนี้แล้วหมายความว่างหมายความว่าเราก็จะจะสบายใจขึ้นจะคลายความทุกข์ได้ที่คุณตนใจบอกว่ามันก็จะดับไปดับไปเนี้ยนะห <Okay. S 1> มายถึงเจ้าความทุกข์ในกายเนี่ยจะดับไป <Okay. S 1> นะความทุกข์ในกายจะดับไปเ <Okay. S 1> ช่เนความมากังวลว่าโอ้ฉันจะแก่ฉั้นจะเหี่ยวฉั้นจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะคลายความกังวลตรงนั้นไปค่ <Okay. S 1> นะ เพราะว่ารู้ในความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะพอเราทําตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือพูดถึงกระบวนการที่จากขั้นแรกคุณไม่รู้อะไรเลยนะมาเริ่มที่จะสังเกตลมหายใจสร้างเหตุปัจจัยก่อนนะคุณมาสังเกตลมหายใจสังเกตลมหายใจแล้วคุณทำใจให้สงบได้ทํำใจสงบได้เสร็จปุ๊บคุณเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาอย่างนี้ในกระบวนการที่เราพูดสีขั้นตอนเนี่ยนะคุณแต่อจบุงคนเนี่ยฝึกเป็นสิบปี จะทําได้จริงๆใช่ไหมนี่นี่เรามาพูดกันแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเรามาพูดย่อๆให้ฟังว่าทั้งกระบวนการมาเป็นอย่างนี้ตัวหลวงพ่อเองนะปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรประมาณกี่ขวบเจ้าค่ะปีสิบแล้วประมาณสิบแปดขวมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่ก็สี่สิบกว่าปีแล้วที่ฝึกปฏิบัติกระบวนการนี้ต่านั้นเองสร้างเหตุปัจจัยเรื่องเสนาสนะอันสง่า อาหารที่น้อยสร้างเหตุปัจจัยเรื่องการสัเกตระมัดใจอยู่เรื่อยๆใ่ค่ะทำจิตให้สงบได้สงบได้กว่ามันจะสงบได้นี่ก็ไม่ใช่ป๊อปป๊ปแป๊บแมันจะทําได้ใช่ค่ะแล้ก็พิจารณาพิจารณาเห็นง่ายมุมนั้นง่ายมุมนี้ตอนแรกๆมันก็เป็นลักษณะวิปัสสนึกไว้ก่อน <c oughs> มัน <c oughs> จะเป็นวิปัสนาหรือก็พ อ, <c oughs> อควรเหมือนกันะนะคื <c oughs> อวิปัสนาจริงๆนี่ คงจะเข้าถึงยากใช่ไหมเจ้าคะคือเห็นอย่างนี้ก็เป็นนิปัสนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าเห็นชาติตามความเป็นจริงแล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นนิปัสนาไปในตัวอืเจ้าค่ะถ้าเราเห็นเมื่อไหร่พิจารณาแล้วเห็นเมื่อไหร่ในจิตของเราเราเห็นชาติลงมาในจิตของเราเนี่ยว่ากายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นชาติลงไปอย่างนี้มันวางวางความยึดถือได้เลยเจ้าค่ะ พอวางความยึดถือได้เบาสบายจิตใจเราก็เบา oh. ไม่กังวลอะไรไม่ยุ่งกับอะไรอืมีการมีงานก็ทําไปได้มีอะไรก็ทําไปได้แต่สติกับจิตมันก็ไปอยู่ด้วกันมันก็เป็นสมาธิต่ตอตอิต่อไปไเรื่อยๆใช่มไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งในห้องพระหรือว่านั่งในเป็นพิธีการอะไรหรอกถ้าเข้าใจแล้วทําเป็นแล้วนั่นมันมีสมาธิอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะมีสมาธิตลอดเจ้าค่ะมันก็มีสติควบคุปปุอยู่ตลอดเจ้าค่ะยงพูดอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าการมีสมาธินี่ก็คืออย่างที่ไปเรียนหรือว่าไปฝึกกับทางวาัดป่าดอนไหาโศมนะเจ้าค่าหรือว่าในการทําสมาธิอย่างที่ท่านสอนมานี่ก็คือการที่เรารู้สติอะเจ้าค่ะคือตั้งสติเราไว้ตรงนั้นเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ถูกต้องเจ้าค่ะ ก็ถ้าพูดก็พูดก็คือว่าเวลาที่เรามารู้แล้วจะปล่อยวางได้เนี่ยคือ <c ười> เป็นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยจิตเราต้องต้องเป็นสมาธิคือถ้าจิตเราเป็นแค่ว่ๆแบบๆเป็นสมาธินิดๆหน่อยๆเนี่ยจะทําวิปัสสนาจริงๆให้เกิดขึ้นมันก็จะได้นิดๆหน่อยๆมันจะไม่ได้เต็มแรงของมันมันจะเป็นระเข้าลักษณะวิปัสสนึกถ้าเราจะทําวิปัสสนาจริงๆจิตเราต้องสงบ เจ้าค่ะมันถึงจะเกิดวิปัสนาลักษณะนี้ได้เจ้าค่ะตอนนี้ทราบว่าพอคนที่ทำวิปัสนาเจ้าค่ะทำสมาธิวิปัสนาเนี่ยะจะต้องทำได้จากจิตจริงๆอันนั้นคือคือปล่อยวางได้จริงๆอย่างที่หลวงพ่อว่าใช่ไหมเจ้าค่ะโอเคอแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันคือการทำงานทำการมีหน้าที่นั่นนี่อยู่เรา ไม่ต้องทำถึงป่านนั้นก็ได้ทำให้ใจเราเบาสบายกับอารมณ์ต่างๆาอะไรก็ตามที่มากระทบกระเทือนใจเราเราก็ลั ง, งับความรู้สึกได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านออกไปหรือไม่ให้โกรธไม่ให้โลกไม่ให้หลงไม่ให้ทำผิดทางผิดระเบียบผิดข้อบังคับอะไรต่างๆขึ้นมาเจ้าค่ะให้ทาให้ให้มันได้ให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คอยรู้อยู่ตลอด ทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่ตลอดอย่างนี้ก็เรียกว่าฝึกสมาธิภายในตัวเหมือนกันเราทำได้ตลอดทั้งวันถ้าเราคอยดูคอยรู้คอยเห็นความรู้สึกของเราอยู่ตลอดว่าเราไม่ปล่อยวางไม่ไม่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคานใจไม่หงุดหงิดอะไรต่างๆนี้เราทำได้ ถ้าเราได้สมาธิแล้วเราทําได้ถ้าเราทําวิปัสนาเป็นแล้วยิ่งทําได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาทิโตภโสได้เมตตาชี้แจงหรือว่าสักข์ฉามาเนี่นยเจ้าค่ะก็เหมือนกับการที่หลวงพ่อได้เมตตาที่จะชี้แนะว่าในการปฏิบัติอย่างที่เราไปปฏิบัติที่วัดแล้วเราก็ฝึกทําสมาธิเจ้านะค่ะนั่นเป็นการฝึกในที่แบบมีรูปแบบ แล้วก็เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นความเมตตายอย่างสูงที่แนะนำมานะเจ้าคะทีนี้อ ยมคิดว่าในเวลาในรายการที่เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง5นาในทีดีนะเจ้าคะก็จะอยากจะข อ, อนำคำถามของอท่านผู้ฟังหรือว่าผู้จัดรายการโด่งดังมาก ข, ของสถานีวิทยุกรจยเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าคะท่านหนึ่งที่ฝากคุณปัญญาชมจมปีมากราบน้ำมสการเรียนถามพระเอกพระคุณหลวงพ่อด ร, อรสะอาดแล้วก็พระอาจารย์ไพบูตรอภิปุนโนด้วยเจ้าค่คุณฟองสนานจามนจันเจ้าค่ะ อันนี้จัดรายการหมุนตามวันโด่งดังมากทีเดียวคุณฟองสนานฝากมากราบนััสการเรียนถามว่าในการทําสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเกิดจิตเราไม่นิ่งเนี่ยทำยังไงเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเกิดขึ้นกับตัวคนหลายๆคนแม้แต่โยมเองอะเจ้าค่ะบางครั้งทําสมาธิบางวันง่ายมากเลยจิตนิ่งได้เร็วบางวันยากเหลือเกินเจ้าค่ะอันนี้ขอกลบับนิมนต์หลวงพ่อได้เมตตาสักกัญชาเจ้าค่ะคือการทําจิตให้นิ่งให้สงบเนี่ย มันก็ไม่ใช่ของง่ายๆที่จะใครทําแล้วก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่เจ้คาค่ะเราต้องคอยสังเกตว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีอารมณ์ที่เรียกว่าทินามิทะความว่างเหงาเฮานอนกรรมฉันทะพวกนี้เขาชื่อที่เรียกว่านิวร์เนี่ยนิวร์ทั้งห้านี่มีอะไรบ้างอาจารย์ลองอธิบาย อ, บอันดับแรกว่กความ ความอยากในกามกรรมพันะธค่ะข้ขอที่สองก็คือความพยาบาทมะข้อที่สามก็คื อ, อทีนัมิทะสี่ก็คือความผู้สร้างลำการใ จ, จ แ, ลแล้วก็ห้าคือความเครือกแกลงระแวงสงสัยทั้งห้าอย่างนี้แหละมันเป็นรูปสรกในการทําสมาธิถ้าไม่มีห้าอย่างนี้แม่อวิชชาก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยอื ม, มันเป็นอาหารของอวิชช า, าที่วันห้าแล้วก็ เมื่อมันมีอาหารอยู่มันก็จะไม่สงบรงเราต้องกําจัดนิวรณ์ออกไปจากตัวเราคือทำใจให้สบายแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความจริงได้หมดก็จะํำระจิตที่ไม่สงบนั้นให้สงบได้โดยง่ายเลยเจ้าค่ะ อ, อ, ยอย่าให้มีนิวรณ์ทั้งหาสาธุเจ้าคะ่ะ mm hmm. ก็คือในการทําสมาธิที่คุณฟองสนั่นจามนจันทร์ถามมาว่าจิตไม่นิ่งทําอย่างไรนั้นคําตอบของพระเพระค mm ุณหลวงพ่อดอรศาสต์ะอาดก็คือการที่เราจะต้องระหว่างที่ทําจิตที่นิ่งนะั้นะต้องตัดนิวรณ์ซึ่งมี5้าประการอย่างที่ <Okay. S 1> พระอาจารย์ใบบุญหลิพิณโนได้บอกมาแล้วนะเจ้าคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความเครือบแพลงสงสัยก็ตามหรือว่าความที่ว่าจะอะไรนะเจ้าคะ่ะซ้งซ่าเจ<ช>้คาคา่ะงวงเหงานอ่านเจ้าค่ะ เจ้าค่ะอันนี้ก็ถ้าเราต้องตัดไปให้หมดจิตเราจึงจะนิ่งได้อย่างที่เราปรารถนานะเจ้าคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือสามารถไปพิจารณาเรียกว่าวิปัสนาความจริงในตัวเราว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟเป็นธาตุธาตุหนึ่งของโลกนี้เท่านั้นใช่ไมเจ้าค<อ>่ะยินดีขสาธุเจ้าคะ่ะ ไม่ทราบ เ, เวลาหนึ่งนาทีท้ายรายการนี้พระอาจารย์ไบบูลนอพิบุโณ น, น, นะเจ้าค่ะมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่งเราสนทนากันในวันนี้แม่เจ้าคะ่ะขอกราบนิมนต์เจ้าคะ่ะไม่ชอบพูดอย่างนี้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะที่มันส ว, สว่างสว่างอยู่เนี่ยบางทีมันมืดไปมัวไปมีอะไรมาเบิกบังเนี่ยก็มีพวกเมฆหมอกควันพวกนี้นันเป็นตัวบังดวงอาทิตย์นะจิตของเราเหมือนกันที่มันไม่สงบมันไม่นิ่งลงไปเนี่ย ข้นิวร์นมาดิด บ, บังดังนัถ้าเราละนิวร์ไปได้ อ, อุปสรรคตรงนี้เราเอาออกได้แต่ความสําเร็จเราก็มีอยู่ข้างหน้านิวร์คืออุปสรรคเนี่ยมันจะค่อยขัดขวางนั่นเองแลค้ค่อยๆกําจัดมันออกไปก็จะสําเร็จได้ในการปฏิบัติแล้วในการปฏิบัติทุกครั้งเนี่ยโยมก็ได้รับการสั่งสอนจากทั้งพระอาจารย์ไพภูนลแล้วก็หลวงพ่อท่าต่สะอาดด้วยนะเจ้าค่ะว่าก็คือเราจะต้องพยายามที่จะเรียกว่า พยายามปฏิบัติด้วยความภาคเ พ, พยียณจริงๆนะเจ้าคะแล้วก็ทุ่มเทที่จะปฏิบตัติตั้งใจจริงว่าอย่างนั้นเถิดแล้วก็เราก็จะสามารถปฏิบัติให้ให้ได้สงบขึ้นแล้วก็จิตใจสงบอย่างแท้จริงนะเจ้าคะาสาธุเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เดียฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมารัปรุณคงจะ รู้สึกดีใจเลยนะคะสําหรับหลายๆท่านที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบตัติหรือว่าการทําสมาธิก็ตามการวิปัสสนาก็ตามวันนี้เราได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตโตภาสุหรือท่านพระครูสิทธิประกรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกผู้ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วท่านก็มีวัดปฏิบัติที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างยิ่งเลยนะคะของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศทีเดียวคะ่ะและ นอกจากนั้นพระอาจารย์ไยบูรณภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหรืกเล่นตามพุทธโอษของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกก็เช่นเดียวกันได้มาสาธกช้าในเรื่องที่ดิฉนคิดว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะรวมทั้งข้อสงสัยของคุณฟองสนานจามอนจันท์นั้นเนี้ยก็คงจะตรงกับใจของท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านทีเดียวค่ะสําหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องผ่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบน้ำมการขอบพระคุณประเด็ชพระคุณอย่างสูงแด่หลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัวาโศท่านพระค ร, รูสิทธิพพกรหรือท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศก และรวมทั้งพระอาจารย์ไพบุตรอภิพุโนองค์ปาถกประจํารายการธรรมารับปุลของเราด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่นะคะในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกรกฎาคมค่คะตีห้าเหมือนเช่นเคยแล้วเราก็ยังโชคดีที่จะได้มีโอกาสกราบในมณฑลหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสมาร่วมรายการกับเราเหมือนเคยนะคะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบน้ำมัสการลาทั้งสององค์พร้อมกันเลยนะคะกราบน้มัสการลาและกราบขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อและพระอาจารย์เจ้าคขาสาธุเจ้าค่ะ